บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในสมาสติซึ่งเป็นองค์มรรคข้อที่เจ็ดสมาสติแปลว่าความระลึกชอบความระลึกชอบนั้นหมายถึงการตั้งสติระลึกไปในทางที่ชอบ เพราะความระลึกนั้นมีอยู่สองฝ่ายคือความระลึกผิดและความระลึกชอบในองค์มรรคแประการนั้นทรงชี้ไปที่ความระลึกถึงสิ่ง4ประการคือกายานุปัสนาสติตามระลึกถึงกายคือหมายความว่าใช้สติตามดู ก, กายของตนเป็นเบื้องตน้น ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของคนโดยปกตินั้นจะมีความกำหนัดความยึดติดยินดีในกายของตนเป็นเบื้องตน้นต่อแต่นั้นก็ยินดีพอใจในกายของบุคคลอื่นโดยทรงสอนให้ดูกายว่าล้วนแล้วแต่เป็นการผสมกันของสิ่งทั้งหลาย วิธีที่จะดูนั้นก็ทรงชีวัยวิจิตพิสดารมากแม้การกำหนดลมหายใจเข้าออกที่ปฏิบัติกันอยู่นี้ก็เป็นเรื่องดูกายเช่นเดียวกันเพราะลมเป็นกายสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือกายให้ดำรงอยู่ได้การดูในชั้นแรกนั้นให้ดูเพื่อให้เกิดความสงบ บุคคลสามารถทาจิตใจให้สงบได้ด้วยดูอะไรในกายตนก็ให้ดูสิ่งเหล่านั้นที่ทรงแสดงไว้นั้นเช่นให้กําหนดดูลมหายใจเข้าออกคือให้สติระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ให้แกว่งไปในที่อื่นหรือมาอย่างนั้นก็ให้ดูที่อิริยาบถใจที่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอน ให้มีสติกำหนดระลึกอยู่กับอิริยาบถเหล่านั้นเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรายืนอยู่เป็นต้นแล้วก็ข้อที่สมนั้นให้ระลึกรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวทั้งทุกอย่างคือจะยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนก้าวไปถอยกลับเป็นต้นให้ตามระลึกรู้ทันอิริยาบถเหล่านั้น นี้ที่เกี่ยวข้องกับการระลึกจริงๆก็มีอยู่สามอย่างข้อ น, นี้ผู้ปฏิบัติจะพบว่าเมื่อคนเราสามารถฝึกปลือให้จิตสงบจูในจุดนั้นๆได้อย่างน้อยที่สุดในชั้นของการดำรงชีวิตประจำวันความพลังพลาดเผลอเรอในกิจการงานต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น เพราะฝึกสติให้อยู่กับกายอยู่ตลอดหรือไม่อย่างนั้นก็ให้ดูที่กายซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่โดยแยกดูส่วนใดที่แข็งแข็งก็สมมติว่าเป็นธาตุดินส่วนใดที่เอิบอาไปมาได้ก็เป็นธาตุน้ำส่วนใดที่พัดไหวไปมาได้ก็เป็นธาตุลมส่วนใดที่ทำกายให้อบอุ่นทำกายสุดโซมเผาอาหารให้ย่อยเป็นต้น ก็รัวาาธาตุไปด้ให้เห็นว่าร่างกายของตนและของบุคคลอื่นนั้นที่บุคคลกาหนดยึดติดพอใจ ย, ยินดีอยู่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นกองแห่งาธาตุทั้งสี่ประการมาประชุมการเข้ายังมีสัดส่วนเท่านั้นเองพวกาธาตุทั้งสี่เหล่านี้อะไรหย่อนไปอะไรมากไปล้วนแล้วต่เกิดอันตรายแก่ร่างกายทนั้น ในข้อต่อไปนั้นส่งสอนให้ดูที่กายของตนเองโดยแยกออกไปเป็นส่วนๆเรียกว่าอาการ32สมัยโบราณนั้นท่านสอนให้สาธยายเรียกว่าสาธยายอาการ32การสาธยายนั้นนอกจากจะทําใจให้สงบแล้วบรรเทาความรู้สึกที่เกี่ยวกับราคะได้เป็นอย่างดี พราะเมื่อบุคคลได้สาธยายอยู่นั้นใจก็จะสงบอยู่ในเรื่องนั้นเมื่อใจสงบก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าร่างกายของตนนี้ก็ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเลือดน้องเอ็นกระดูกเกี่ยวนกระดูก ม, ม้ามหัวใจเป็นต้นพวกอาการเหล่านี้ก็เป็นการประชุมการของเหตุปัจจัยไม่ได้มีความสวยงามอะไรแล้วในข้อต่อไปก็ถ้าหากว่าบุคคลผู้ปฏิบัติไม่อาจจะเห็นได้ ก็ทรงสอนให้ดูที่ซากศพคือดูที่กายคนอื่นใ้ซากศพเหล่านั้นเรียกว่าป่าช้าเกาซึ่งอันที่จริงก็ดูซากศพในช่วงต่างๆนั่นเองคือเริ่มมาจากตายตั้งแต่วันหนึ่งไปแล้วศพที่ตายสมัยก่อนนั้นไม่มียาอะไรเข้าช่วยมาตายไปถึงวันหนึ่งแล้วก็ขึ้นอื่น แล้วก็ดูในช่วงต่างๆจนซากศพเหล่านั้นกลายเป็นกระดูกผุกร่อนไปก็แบ่งเป็นก้าช่วงด้วยกันการดูในชั้นแรกนั้นเป็นการทำใจให้สงบที่เรียกว่าสมถกรรมฐานเมื่อจิตใจสงบดีแล้วต่อไปก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายคำากายนั้นออกมาจากคำสองคาคือกุกอายะ กูแปลว่าน่าเกลียดสุกปรกุกอายะแปลว่าแหล่งที่เกิดที่อยู่เพราะงั้นกายะก็คือแหล่งที่เกิดที่อยู่ของสิ่งสุกปรุกทั้งหลายกรรมฐานข้อ น, นี้ทรงสอนแก่บุคคลผู้ที่เรียกว่ามีตันหาจริตแล้วก็มีปัญญาอ่อนคนตันหาจริตปัญญาอ่อนนั้นจะมีความทะเยอทยานอยากโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิพิจารณา เมื่อบุคคลสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในช่วงแรกที่เรียกว่าสมถะได้ใช้ปัญญาพิจารณาในช่วงที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาได้ก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในกายตนและกายบุคคลอื่นว่าตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปในที่สุดก็จะแตกสลายไป การที่จิตเคยยึดเคย ถ, ถือในกายตนและกายบุคคลอื่นด้วยอำนาจความกำหนัดระคา่พอใจก็จะบันทอประบางลงไปจนถึงสามารถระงับดับตัณหาเหล่านั้นได้จุดมุ่งหมายในการดูกายก็คือว่าให้เห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใด ในข้อต่อไปก็คือให้ดูที่เวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาคือตามดูที่เวทนาเวทนานั้นได้แก่อาการที่จิตสวยอารมณ์หรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสเป็นต้นความรู้สึกเหล่านี้เมื่อโดยสรุปก็ อ, ออกมาเป็นสามพวกด้แยก่นคือเป็นสุข ถ้าประจวกับสิ่งที่เราต้องการรักใคร่พอใจเป็นทุกข์ถ้าหากว่าไปพบกับสิ่งที่ไม่ ย, ยินดีเฉยๆถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นกลางๆเวทนาเหล่านี้ยังจำแนกออกไปวิจิตพิสดารในชั้นของการปฏิบัตินั้นในช่วงแรกก็เป็นเรื่องของความสงบ ค, คือให้ตามดูเวทนาซึ่งปรากฏขึ้นในขณะนั้น เช่นเกิดสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าขณะนี้สุขเวทนาบังเกิดขึ้นแก่เราทุกเวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าทุกเวทนาเกิดขึ้นแก่เราแม้แต่เวทนาที่เป็นกลางๆซึ่งเรียกว่ า, าทุกขมสุเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้โดยนัยะเช่นเดียวกันแต่จะถามว่าการกำหนดรู้ในลักษณะนี้ได้ประโยชน์อะไร ในช่วงแรกนั้นเป็นการควบคุมจิตเอาไว้ไม่ให้พลาดไปจากเวทนาเพราะตามปกติเมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นบางครั้งจิตแวบปบ อ, อกไปไกลได้เกินเพราะฉะนั้นเมื่อคุมจิตให้อยู่กับเวที่เวทนาได้ก็ส ง, งบอยู่กับเวทนานั้นไม่ได้พลาดไปจากกายนี้เพราะเวทนาปรากฏอยู่ที่กายกับที่จิต เมื่อกำหนดระลึกไปรู้ไปใจก็จะสงบที่เวทนาแล้วต่อไปก็ให้มองเห็นเวทนาตามความจริงว่าเวทนาคือความเสเวยอารมณ์นั้นเป็นของที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วมองเห็นทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคือโดยสรุปกว่าทั้งแก่เกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่บุคคอื่น ก็มีสภาพเป็นอยู่วกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดใจของบุคคลก็จะโน้มน้อมไปสู่ความเห็นเวทนาตามความเป็นจริงว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่ใช่ศัตร์บุคคลตัวตนเราเขาตจประการใด แต่ว่าในชั้นของการพิจิตรพิจารณานั้นเมื่อบุคคลมีปัญญาปรากฏขึ้นแล้วก็จะมองเห็นกว้างไกลออกไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลกณสุดนั้นทรงเชื่อเห็นว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดี พวกกายพวกเวทั้งเวทนาทั้งหมดก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราแล้วไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราการเรียนรู้เรื่องของเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือในชั้นแรกสร้างความสงบให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นสมาธิจุดมุ่งหมายของสมาธิก็คือสงบที่วรน แต่ในช่วงที่สองนั้นเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณาดูเวทนาให้เห็นตามความจริงที่ทรงแสดงไว้คือตามใจหลักเพื่อจะถ่ายถอนความยึดติดในเวทนาว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราความยึดติดในเวทนานั้นส่วนมากจะยึดติดด้วยอำนาจของตัดหา คือจิตมีความทะเยอทะยานอยากกินดีแล้วก็ยินดีส่วนมากก็ในสุขเวทนาเมื่อเกิดทุกเวทนาขึ้นก็มีความรู้สึกในธรรมนองปฏิเสธที่เรียกว่าเป็นวิภวะทันหาคือไม่ยินดีไม่พอใจในเวทนาเหล่านั้นตกลงมาทั้งสองฝ่ายใจก็แกว่งไปสู่อํานาจของกิเลสเท่านั้น แต่เมื่อบุคคลได้รู้เวทนาตามความเป็นจริงโดยนิยัดดังที่กล่าวแล้วก็จะถ่ายถอนความยึดถือด้วยอำนาจตันหาว่าเป็นของเราเริ่มนาามานะว่าเป็นเราเริ่มนาทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้ในช่วงต่อไปเรียกว่าจิตตานุปัสสนาคือตามดูจิตของตนซึ่งปรากฏในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไร ทรงแสดงไว้เป็นคู่คู่เช่นว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีโทสะก็ทรงแสดงไปเรื่อยจนถึงจิตสงบเป็นสมาธิจิตได้ชาญเป็นต้นการดูจิตในลักษณะนี้ ช่วงแรกก็เหมือนกันคือมุ่งความสงบแต่ว่าในขณะเดียว ก, กันก็ให้แก้ทางของจิตด้วยแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมของจิตด้วยอย่างในกรณีที่จิตตกไปสู่อำนาจของอกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะหรืออะไรก็ตามในจิตฟุ้งซ่านไปต้นก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลเวลานี้จิตของเราประกอบด้วยอกุศลัำเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องชำละลงระล้างคล้ายๆกับว่าสรวจดูเสื้อผ้าไม่สะอาดก็ต้องซักอย่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตไปตกอยู่ในสภาพไม่พร้อมดหดคูเหนื่อยนายเบื่อระอาเป็นต้นก็ประคับประคองจิตเอาไว้ปลุกปลอบจิตให้เกิดความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นเพื่อพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าจิตเดินไปในครองแห่งกุศลคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่ฟุง้งซ่านมีสมาธิเป็นต้นก็ประคับประคองรักษาจิตไปในอารมณ์นั้นๆประมาณถึงช่วงที่สองก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิษพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของจิต ซึงเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายเพราะจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากบางครั้งก็กําหนดไม่ได้อย่างตัวอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นใจว่านั่งทางธรรมกรรมาฐานเดีย๋ยวดีๆก็ใจส ง, งบอยู่แต่เมือเกิดแวบไปรับอารมณ์ภายนอกแล้วบางทีก็ไปเสื่อกลายริบี่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงเร็วทรงใช้คําว่าเราหุโสวัวตติกระโตคือขณะเป็นไปนเร็วมาก เมื่อความเปลี่ยนแปลงเร็วปรากฏจุดที่จิตบุคคลมองดูด้วยสมาธิดูความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่บังเกิดขึ้นในช่วงต่อไปก็ให้พิจารณาให้ดูความเกิดขึ้นของจิตดูความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ของจิตดูความแตกดับของจิตแล้วก็จะมองเห็นว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นเอง มัจจาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดการยอมรับความมีอยู่ของกายเวทนาจิตต่างที่กล่าวมนนั้นเป็นการยอมรับในฐานะเป็นอุปกรณ์สำหรับอาศัยระลึกสำหรับอาศัยเรียนรูทน้ทนนันเด่นก็คล้ายๆกับว่าบุคคลต้องไปอาศัยสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเช่นว่าสถานที่ศึกษาเป็นต้น ก็จะไปยึดถือว่าเป็นของเราก็ไม่ได้เพราะว่าที่จริงก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยเพื่อศึกษาและเรียนศินละปะวิทยาเหล่านั้นเพราะกายเวทนาจิตแต่แม้แต่ธรรมสิ่งแวกล้อมต่อไปก็สำคองเดียวกันบุคคลจำเป็นจะต้องยอมรับในประเด็นหนึ่งคือเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ความจริงแห่งชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อเรียนรู้ไปแล้วต้องไม่ยึดไม่จิตในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะด้วยอำนาจตัณหามานะหรือจิติก็ตามแล้วข้อต่อไปเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามดูธรรมะคำว่าคว่าธรรมะที่ทรงใช้ในที่นี้เป็นกล่าว เป็นการกล่าวถึงธรรมะสามประเภทด้วยกันคือทั้งที่เป็นกุศลได้แก่ความดีเป็นอกุศลหรือความชั่วเป็นอัปยากริตคือจะกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองที่จริงก็เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมทางจิตหรือหมายความว่าธรรมะปรากฏขึ้นแก่จิตแล้วก็เรียนรู้กับธรรมะเหล่านั้นอย่างเช่นในกรณีของอกุศล ทงแสดงนิวรณ์หประการเอาไว้เพราะนิวรณ์นั้นเป็นอุปสรรคของความสงบ ก, ก็ให้เรียนรู้ถึงนิวรณ์ที่ปรากฏขึ้นในจิตขณะนั้นๆรู้ว่านิวรณ์ที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วให้เรียนรู้ว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำอย่างไงจึงจะละไปได้แล้วเมื่อละไปแล้วทำอย่างไงจึงจะไม่เกิดขึ้นอีกถึงเป็นงานวิเคราะห์จิตของตนเอง แล้วก็แก้ไขอารมณ์ซึ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนฝ่ายที่เป็นกุศลก็ทรงยกเอาโพชชงเจ็ดประการเอามักเอาอริยสัจทั้ง4ประการขึ้นมาสดแสดงซึ่งธรรมะเหล่านี้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นโพธชงเจ็ดประการก็ทรงยกธรรมะเหล่านั้นให้มาตรวจสอบดูว่า เมื่อสติปรากฏจู่กัจิตก็รู้ว่าขณะนี้สตินั้นปรากฏจู่ที่จิตสติที่ยังไม่เกิดจะให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็รู้ถึงอุปกรณ์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสติเหล่านั้นสติที่เกิดขึ้นแล้วจะรักษาไว้โดยวิธีใดไ ด, ได้ก็ศึกษาเรียนรู้ถึงอุบายวิธีที่จะรักษาสติเอาไว้ และสติที่รักษาไว้ได้นั้นจะพยายามให้เพิ่มพูนยิ่งย่งขึ้นไปได้โดวยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นส่วนที่เป็นอัปยากฤิตคือกลางกลานั้นในที่นี้ทรงยกเอาเรื่องของขันห้ากับเรื่องอายตนะหอายตนะ12มาแสดงก็เพื่อให้บุคคลดูถึงความจริงแห่งขันห้า เพราะว่าการตามความเป็นจริงแล้วคนรรอมก็คือขานห้าที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนรูปกับส่วนนามหรือเรียกว่ารูปนามแขนห้านั้นพวกรูปก็คือพวกกลุ่มที่สัมผัสได้ด้วยประสาทหคือตาหูจมูกลิ้นกายพวกที่เป็นนามก็เป็นพวกที่รู้วยใจก็ทรงสอนให้รู้ว่านี่คือรูปนี่ความเกิดขึ้นของรูปนี่ความแตกดับแผงรูป ก็สรุปว่าให้รู้ลักษณะของขันธ์ห้ารู้เหตุเกิดของขันธ์ห้ารู้ความดับแผงขันธ์ห้าก็ถือว่าเป็นนัยยะหนึ่งของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในการเสริมสร้างความสงบให้เกิดขึ้นเกียจจิตใจส่วนอายตนะหกพวกห้าข้อก็เป็นเรื่องของโรคกัน ท, ที่ได้กล่าวหรือพวกตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใจก็เป็นเรื่องของนาม เรื่องของธรรมะและแม้แต่สติปัฏฐานทั้งสีคือกายเวทนาจิตธรรมนั้นสรุปแล้วก็คือรูปนามพวกกายก็เป็นพวกรูปเวทนาจิตธรรมก็เป็นพวกนามคือให้เรียนรู้รูปนามตามความจริงโดยจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อกมจัดอภิชาคือความอยากได้ความปรารถนา ในสิ่งที่ตนยินดีพอใจและโทมนัตคือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจออกไปและเป้าหมายในช่วงที่เป็นจุดหมายปลายทางนั้นทรงแสดงไว้ว่าสัตตานังวิสุทติยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจุดแห่งสัตว์ทั้งหลายโสกะปรเดวานางสมติกมายะ เพื่อให้จิตของบุคคลผ่านพ้นความโศกความราไรราพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันเพื่อการดับไปโดยสิ้นเชิงแห่งความทุกโทมนัดเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความรู้อันดีเพื่อความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุก เพราะฉะนั้นเรื่องของสัมมาสติก็คือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ประการนั่นเองซึ่งแต่ละหัวข้อนั้นได้ทรงจำแนกแสดงเอาไว้เป็นทางโดยเฉพาะให้บุคคลเลือกเดินไปประกอบด้วยกรรมฐานทั้งหมด21ข้อด้วยกันแต่ละข้อนั้นเป็นทางที่เอกเทศคือสามารถที่จะ สร้างความสงบระงับดับนิวรได้ในช่วงแรกและช่วงสุดท้ายก็สามารถสงบระงับได้เพลิงระงับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้เพราะฉะนั้นใครมีความพอใจมีความถนัดที่จะปฏิบัติในข้อใดก็สามารถเลือกประพฤติปฏิบัติได้และอุปกรณ์ในการปฏิบัตินั้น ทรงแสดงธรรมะไว้สามข้อด้วยกันข้อแรกคืออาตาปีแปลว่าความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนทรงใช้คําที่มีลักษณะเด่นมากเพราะความเพียร น, นั้นมีคาที่เรียกมากด้กันแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตจะทรงใช้คําว่าอาตาปีเรือความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อน ยังในกรณีของการปฏิบัติกรรมฐานส่วนที่เป็นสมถะนั้นจะพบว่าจิตได้กลายเป็นสนามต่อสู้ระหว่างพวกนิวรนกับความส ง, งบกับพวกธรรมะบางทีนิวรนก็รุกเอาความส ง, งบตั้งตัวไม่ได้เลยนั่งกรรมฐานย0สนาทีไม่ส ง, งบเลยสักนาทีจะแสดงว่าตอนนั้นก็แพ้ไปเลย ทีนี้การต่อสู้ในลักษณะนี้บางครั้งก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยเคือเห็นว่าแพ้ทุกคราวก็เลิกต่อสู้สเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มีความเพียในลักษณะที่เผากิเลสให้ร้อนให้พินาศไปก็จะสู้กันกี่ครั้งก็ตามก็ใช้ความเพียจะให้ย่อหย่อนเลี้ยวกาสหนึ่งก็จะเกิดความส ง, งบขึ้นเอง บุคคลจะต้องยอมรับทั้งความจริงว่าความสงบนั้นมีอยู่แล้วก็มีอยู่ที่จิตนี่เองแต่เนื่องจากจิตได้ล่องลอยไปตามอารมณ์คือนึกจะคิดอะไรก็คิดตามสบายมาตั้งนานนิ่งจะมาควบคุมให้สงบนั้นเป็นไปไม่ได้จะต้องอาศัยการเวลาความเพียรเข้ามาสนับสนุนแต่ความเพียร น, นั้นจะต้องมีลักษณะที่เป็นอาตาปีคือเผากิเลสให้ร้อน หรือสามารถที่จะสลายความเข้มข้นของกิเลสให้เจือจางลงไปแล้วข้อต่อไปคือสมามปัญชนะแปลว่าปัญญาที่รู้ทั่วพร้อมคือหมายความว่ารู้ทั่วในจุดนั้นแล้วก็รู้พร้อมกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างในกรณีของการดูจิตคือจะรู้ไม่ทันบางทีจิตวิ่งไปจากอารมณ์ของกรรมฐ า, านตั้งนานแล้วยังระลึกไม่ทนัน อย่างนี้ก็ดึงจิตกลับมายากเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ทั่วพร้อมแต่ว่าการจะรู้ทั่วพร้อมนั้นต้องอาศัยสติมาคือใจจะต้องมีสติอยู่ตลอดตามปกติจะทรงใช้สติหรืออนุสติอย่างที่ว่าแต่ว่าในชั้นนี้ทรงใช้คาว่าสติมาคือมีสติเลเพราะอะไรพระท่าไม่มีสติเกิดเพ้อเรอขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ บางทีนิวรณ์ก็อาจจะแทรกซ้อนขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วในช่วงแรกคือช่วงของการทําความสงบนั้นธรรมะจะเดินกันเป็นแนวไปเลยคือสติจะต้องนําหน้าปัญญาอยู่ตรงกลางและความเพียรอยู่ข้างหลังแต่พอถึงช่วงของการใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณานั้นสัมปชานะหรือปัญญานั้นจะต้องอยู่ข้างหน้า เพราะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การวิจัยมองให้ซึ้งลงไปในปัญหานั้นๆสติก็อยู่กลางความเพียรก็เข้าสนับสนุนธรรมะเหล่านี้อะไรยิ่งอะไรหย่อนไปก็ไม่ได้บุคคลจาเป็นจะต้องเสริมสร้างให้มีอยู่ในสัดส่วนที่ใช้งานได้เพื่อฝึกจิตของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ทรงใช้คำว่ากรรมนิยะ คือสามารถจะโน้มน้อมไปตามที่ใจเราต้องการเช่นต้องการสงบก็สงบได้ต้องการให้รู้ก็รู้ได้ต้องการใช้ปัญญาพิพนิจพิจารณาให้เห็นตามปัจไตรลัก์ก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาได้หลักเหล่านี้ก็คือเรื่องของสมารสติที่แปลว่าความระบึกชอบอันเป็นองค์อริยมรรคในส่วนจิตตะศิขาคือส่วนของจิต มุ่งความสงบและความรู้เป็นหลักบุคคลผู้เรียนรู้ในช่วงแรกก็จะเกิดความสงบในช่วงที่สองก็จะเกิดความรู้ถึงความจริงแห่งกายเวทนาจิตธรรมว่าไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นความยึดความถือที่เคยมีอยู่ก็จะถูกถ่ายถอนให้เบาบางลงไปต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบ 就多白。